สัมโมจิตของเรานะจิตของเรานี่แหละสาคัญที่สุดเลยนะในตัวเราเนี่ยมีกายและก็มีจิตระหว่างกายกับจิตจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อเช้าก็มีคนเขามาทำบุญเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ตายคนตายสมมติเรียกว่าตายแต่จิตเขาไม่ได้ตายนะ จิตตายไม่เป็นนอกจากถึงพระนิพพานแล้วจิตถึงจะดับไปแต่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานมันจะเวียนว่ายตายเกิดของคนตายก็คือคนที่ไปเกิดแล้วถ้าใครจิตดีจิตจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราทำดีทำดีทำบุญทำทาน ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นแล้วก็มีเมตตาต่อคนอื่นแล้วก็รู้จักรักษาศีลเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันมีความระมัดระวังไม่ไปทำบาปทำอกุศลแล้วก็สติมันจะควบคุมรักษาจิตง่ายนี่ความสำคัญตรงจิตเลยนะพระพุทธเจ้าสอนเนี่ย เพราะนั้นเราเข้าใจคำสอนของผู้เจ้าให้มันชัดเจนการปฏิบัติของเราก็จะได้ถูกต้องแม่นยำแล้วเราก็ไม่ลังเลสงสัยเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นกับจิตใจของเราเองร่างกายทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ช้ามันก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ย แต่ถ้าจิตมันดีอ่ะจิตมันดีชีวิตเรามันก็สบายขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่จิตเมื่อตายไปแล้วจิตดีมันก็ไปสร้างร่างกายที่ดีขึ้นมาลองจิตไม่ดีปับ๊บจิตกำลังโกรธกำลังพยาบาทคิดร้ายเบียดเบียนคิดเบียดเบียนคนอื่น ตายปั๊บลงไปนุ่นละมันลงไปนรกในนรกมันก็จะไปสร้างที่อยู่อาศัยที่อยู่ในนรกมันก็จะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นกล่องบางหลุมนะแล้วก็แดงร้อนความร้อนมันต้อง้อยโยดลัศมีของมันนะแล้วก็ร่างกายของคนที่กําลัง จิตใจมันรุ่มร้อนอะ่ะมันก็เลยไปที่ร้อนเลยที่นี่ปั๊บเข้าไปตรงนั้นร้องเนี่ยเห็นไหมไปจากจิตของตัวเองแท้ๆเลยนะมันก็ไปหาที่ที่มันจะเป็นทุกข์สมกับที่จิตตัวเองเป็นทุกข์นี่เราไม่รู้จักรักษาจิตตัวเองไฟเนี่ยร้ ก, ก็แผดเผาตัวเองก็รุ่มร้อนทนไม่ไหวตายตายก็ฟื้นอีก ตายไม่ได้ยังไม่หมดกรรมเพราะอะไรเพราะสั่งสมแต่ความรุ่มร้อนสั่งสมแต่ความทุกข์ให้แก่จิตตัวเองมันก็เลยลงโทษให้สะสมเลยที่นี่ไฟนรกก็แผดเผารุ่มร้อนทนไม่ไหวตายอีกตายก็ฟื้นอีกตายแป บ, บเดียวฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นมาก็ร้อนทันทีเลย แล้วมันความสุขมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีเลยเนี่ยโทษของการที่เราไม่รู้จักรักษาจิตของเราเองไปทำไม่ดีจิตมันก็รู้นี่นะมันก็สั่งสมเอาไว้นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเองก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเวลาเราทำไม่ดีปั๊บนี่แหละมันไปจับจองที่ไม่ดีเอาไว้แล้ว ไม่เห็นก็ตามธรรมชาติอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละทำนองเดียวกันเราทำดีอย่างวันนี้มาทำบุญมาฟังธรรมมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมตามคาสอนของพระพุทธเจ้าผลของกรรมดีนี้เกิดทันทีเลยนะปับ๊บมีที่อยู่ที่อาศัยไว้รอคอยเรียบร้อยเลยมีเครื่องอุปโภคบริโภค อันนี้ก็คืออำนาจของบุญอีกอันหนึง่งเป็นอำนาจของบาปบาปก็ให้ผลทันทีใครจะรู้ไม่รู้ก็ตามละ่ะธรรมชาติอันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยญาณของพระองค์ท่านตัดสู้แล้วรู้แจ้งเลยเอามาเปิดเผยเลยนะ จะไปสงสัยว่าทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้ทําไมคนและผมมันจะต้องมางอกบนศีรษะสัตว์ตทําไมมันงอกตามลําตัวไอสัตว์ทําไมมันเดินขนานไปกับพื้นไอคนทําไมมันมาตั้งโอ้โหไปสงสัยไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นระบบของธรรมชาติเนื้อมันมาจากไหนกระดูกมันมาจากไหนโอ้โไปสงสัยมันไม่ได้อันเนี่ย มันต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดสลูรู้แล้วทำไมเราต้องมาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้ทำไมต้องมามีพี่น้องแบบนี้ทำไมมาเกิดในสิ่งแวดล้อมนี้ทำไมมาเกิดในประเทศไทยโอ้ไม่สงสยัยฮะเนี่ยกรรมมันประมวลเข้ามาแล้วกรรมที่เราทำทั้งหมดแ่ะถึงเวลาวาระของมันต้องมาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้เพราะนั้น พ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าใครมีพ่อมีแม่มีชีวิตอยู่ก็อันนั้นกรรมเขาประมวลมาแล้วเราก็จะต้องตอบแทนคุณพ่อแม่เขาให้กำเนิดมาพร้อมกับกรรมมันประมวลมาให้เราต้องมาเกิดกับพ่อแม่คู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นพ่อแม่จึงมีคุณมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันประมวลมาทำให้มาเป็นพ่อแม่ของเราสำหรับลูกก็ต้องทาต้องปณิบัติดูแลพ่อแม่ แต่าพ่อแม่มีความเห็นไม่ถูกไม่ต้องก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยความเห็นต้องเอาตามพระพุทธเจ้าแต่การตอบแทนคุณพ่อแม่ก็ทำไปนี่เดียกว่าเป็นศีลชนิดหนึ่งนะเนี่ยดำเนินชีวิตถูกต้องเป็นจารีตศีลกุศลศีลเป็นศีลที่ถูกต้องการดำเนินชีวิตถูกต้องเป็นฝ่ายกุศลอันนี้มันก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันดี มันสุขมันสบายแล้วเป้าหมายล่ะสติรักษาใจง่ายเพื่อให้ใจเป็นสมาธิมันต้องรู้ขั้นต่อไปด้วยนะเพราะนั้นทำบุญสุนทานปับ๊บต้องสติของเราต้องรักษาจิตเอาไว้ให้บุญมาชำระจิตเรานะบุญคือเครื่องชำระจิตชำระจิตแล้วจิตเบิก บ, บานจิตอิม่มเอิบสงบมีความสุขสบายเป็นสมาธิขึ้นมาเขานี้บุญเพิ่มแล้วทีนี้บุญเพิ่มเลย กลายเป็นจกนักทานศักศี์สิกับมาภาวนารักษาจิตรักษาใจของเรานี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่าไปเห็นอย่างอื่นมีค่ากว่าใจตัวเองนะพวกวัตถุพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเทียบกับใจเรามันเทียบไม่ได้อันนั้นแค่อาศัยอาศัยชั่วคราวเฉยๆในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ แต่พอตายแล้วเราต้องจากมันไปต้องทิ้งมันไปแต่จิตนี่มันตายไม่เป็นที่นี่นี่แหละพอพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านจึงมาสอนให้รักษาจิตให้ได้รักษาจิตให้เป็นให้จักรักษาจิตระวังจิตไม่งั้นจิตของเรามันจะเที่ยวเอาเรื่องเอาราวเอาบาปเอากุศลเอากรรมเอาเวรที่เราเคยทำมานั่นละ่ะ มาห่อหุ้มจิตเรามาเก็บเอาไว้ในจิตเราเสร็จแล้วกรรมอันนี้ก็ผลักดันให้เราต้องไปในที่มันไม่ดีอ่ะเมื่อเจ้าก็มีคนมาปรึกษาว่าเออดวงไม่ดีมีคนพยากรว่าจะต้องตายในปีนี้ออเอ า, เอาถ้าเขาพยากรอย่างนั้นก็เอาล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะทาบุญทาความดีตามพระพุทธเจ้าอุทิศบุญไปเลย อุทิบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิบุญให้พวกที่ต้องการบุญจากเราขอโอโหสิกรรมแล้วก็ยืนยันว่าชีวิตของเหล่านี้เราจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนี้เป็นต้นไปจะพยายามปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ดีขึ้นมาสิว่ายิ่งอายุเราเห็นว่าเขามีคนมาทักมาทายว่าจะต้องตายแล้ว เราก็ยิ่งต้องไม่ประมาทที่นี่พยายามทำบุญสุนทานทำคุณงามความดีรักษาศีลภาวนาเข้าไปทานศีลภาวนาเอา้มันสมบูรณ์อุทิศบุญออกไปทำทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในเมื่อรักษาจิตได้แล้วมันจะตายก็ตายคนเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีมันจะตายเมื่อไหร่ก็คือตายถ้ามันไม่ตายล่ะเราดีขึ้นมาเนี่แยแทนที่จะไปทาให้จิตตัวเองเศร้าหมอง เป็นทุกข์กลัวตายก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะก่อนช่วงที่มานะคนปรปฐมระยะแรกๆนี่นะเกี่ยมีโยมมาปรึกษามีนิละเขามาพยากรณ์มาแม่นยำมากว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยจะถูกคมคืนในปีนี้ โอ้ยทุกข์มากเลยพ่อแม่ลูกก็กำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเป็นสาวอะห่วงใยมากก็มาปรึกษาอีกอะเราอเอาละคเอาพยากรณ์อย่างนี้ก็ดีแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่ทำบุญมันอุทิศบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันทั้งครอบครัวเลยนะลองพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตเลยบอก จากที่ไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำบุญสุนทานทำคุณงามความดีแล้วก็บอกว่าเพื่อไม่ประมาทก็สํารวมอย่าไปในที่เปรียวเปรียวอย่าไปไหนดึกดึกๆดิดนๆให้เขาระวังเนื้อระวังตัวเขาก็ทำตามนั้นน่โอ้ยเดี๋ยวนี้มันโตเป็นสาวแล้วเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ไปต่างประเทศเรียบร้อยจะตายหรือไม่ตายแต่ว่าชีวิตเราดีขึ้นอันนี้ถูกต้องเพราะจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะตอนนี้เราต้องสํารวมจิตเราเข้ามาเอาจิตเราเข้ามาให้ได้ต้องให้จิตมันตื่นด้วยนะเอาเวลาพูดพอสมควรแนละ้วให้สํารวมจิตดีๆนะ นี่ละทางของพระพุทธเจ้าสมกับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งได้มาทําบุญด้วยมารักษาศีลด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วยได้ฟังธรรมะธรรมะก็เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดละนี่เรามาทําสิ่งที่มันประเสริฐมันประเสริฐแก่ชีวิตเรามีคุณค่ากว่าชีวิตเราแล้วเราก็เข้าใจแล้วด้วยว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับจิตเรานี่แหละว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่จิตดีเมื่อไหร่มันก็ออกมาดีหมดละ ทางกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีพอมโนกรรมมันดีความคิดความอ่านมันดีเพราะนั้นหน้าที่ของเราต่อไปคือรักษาจิตให้ดีรักษาจิตก็เอาจิตเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ทามันมาอยู่นิ่งมีอารมณ์เดียวก็นี่เป็นสมถะสมถะนี้มันทำให้จิตมีกําลังอะบ่มเพาะบ่มเพาะความเข้มแข็งเน่ อย่ามะม่วงเนี่ยมะม่วงมันจะสุกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาสุกเลยนะมันก็ต้นเริ่มตั้งแต่เนยมะม่วงเล็กๆ ก, ก่อนแล้วค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆแก่ลงจนมันเข้ากักเข้ากักเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นมันก็เริ่มที่จะสุกนะสุกจนกระทั่งมันมีรสหวานเต็มที ม, มก็ร่วงหล่น เวลาปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆอย่างนั้นล่ะแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาต้องมีสติสำรวมระวังทำอะไรก็มีสติรู้สึกตัวจากนั้นก็ทำอย่างมีรูปแบบ น, นมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิเพื่อให้สติเรามันดีสติมันมีกำลังต่อไปนี้ให้ตั้งใจปฏิบัตินะ แล้วก็จะเดินสำรวจด้วยนะแล้วถ้าใครง่วงก็จะเคาะเลยนะขออนุญาตไว้ก่อนเลยนะครั้งที่หนึ่งก็เคาะเบาเบาตอกต๊ตอกสองสามครั้งครั้งที่สองก็จะเคาะแรงขึ้นตึบตึบตึบครั้งที่สามนี่ไม้เท้าอันนี้มันจะมีสองด้านด้านหนึงมีหัวหัวเป็นปมปมเราก็ใช้ปมปมอันนี้เล็งเลง็ตรงมันกระดูกหน่อยแล้วก็อาจจะ แรงหน่อยเพราะว่าครั้งที่สามแล้วเนี่ยเรียกว่าเริ่มมันไส้แล้วเราให้ปฏิบัติต่อไปทำลำพังอาสำรวมจิตดีๆนะ ตั้งสติดีๆที่นี่แล้วก็มาตั้งข้อสังเกตในตัวเราก็มีกายกับจิตกายร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตบางทีเราก็ลืมไปว่ามันเป็นแค่เราแค่มาอาศัยร่างกายเฉยๆแล้วจากนั้นมันต้องจากเราไป ร่างกายยังไงต้องจากเราไปแต่ตอนนี้เรากําลังเอาร่างกายมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจนี่จิตใจจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉนั้นเราอย่าไปทะนุถนอมร่างกายมากเอาแค่ให้มีชีวิตอยู่ให้มีร่างกายแข็งแรงพอทํามาหากินได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ดูแลรักษาไป แต่สำคัญตรงจิตใจอย่าให้จิตเราไปยึดไปติดไปข้องร่างกายเพราะนั้นเราต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิเอาจิตมาสัมผัสรู้ที่กายมาสังเกตดูว่าร่างกายเราเป็นยังไงถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันจะเห็นว่าร่างกายนี้มันอยู่ตามธรรมชาติเลยนะลมหายใจเข้าออกก็เป็นของมันเองบางทีลมหายใจมันไม่มันเป็นธาตุลมไปเลยอ่ะมันเคลื่อนไหวของมันไปเลยมันไม่เกี่ยวกับลมหายใจเลย มันก็จะเห็นของมันเองหัวใจปอดอะไรต่ออะไรทํางานเองหมดเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติตัวหนึ่งเป็นตัวดูที่นี่ตัวจิตเป็นตัวดูร่างกายก็เป็นสิ่งถูกดูเพราะนั้นร่างกายไม่ใช่จิตความรู้สึกว่าจิตนัน้เป็นเราอยู่ร่างกายก็เลยเหมือนกับสิ่งอาศัยอยู่ถ้าเรารู้สึกมันชัดเจนขึ้นในความรู้สึกก็แสดงว่าจิตเราเริ่มแยกกายแยกจิตได้ แยกรูปแยกนามได้ในร่างกายมันก็มีเวทนามีความรู้สึกชนิดต่างๆเกิดขึ้นเจ็บปวดเนา้นันงนานนี้เจ็บปวดมึนชาเขานี่เราก็เอาจิต ด, ดูใหม่ดูเวทนาเวทนาเนี่ยมันก็อยู่ที่ร่างกายอีกอะ่ะมันเป็นสิ่งถูกดูอีกไม่ใช่จิตจิตเป็นผู้ดูเนี่ยจิตก็เลยเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาละ ไม่ส่งกระแสออกไปลหลงร่างกายไม่ปรุงแต่งเรื่องร่างกายไม่ไปปรุงแต่งเรื่องเวทนาเอาจิตกลับคืนเข้ามาเนี่ยอยู่เป็นตัวของตัวเอง e him, ขึ้นมาแนว่วแ น, วแนว่ขึ้นมาแต่มันเจ็บมากบางทีมันก็ปรุงขึ้นมาเหมือนกันแหละมันอยากให้หายไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดมันก็อยากขยับอยากเลิกกลัวไป น, นู่นไป น, นี่หนี่ตันหาตันหามันอยากเอาสุขเอาสบายไม่อยากมีความทุกข์พอมีความทุกข์ขึ้นมาหน่อยมันก็อยากหาย เราก็เลยเอาประโยชน์จากเวทนาเหมือนกับเวทนานี่มันเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือฝึกที่นี่ออพอจิตมันเกิดความอยากขยับอยากเลิกอยากนู่นอยากนี่ดูมันให้ได้ตัวตัณหาเราไปเชื่อมันไม่ได้มันหลอกว่าจะทำเพื่อเรามันอยากให้เราสุขอยากให้เราสบายแต่เรากําลังฝึกตามคำสอนของบุเจ้าให้รู้ทันมันจิตเราต้องเป็นกลาง มีร่างกายนั่งนานต้องเจ็บต้องปวดเป็นธรรมดาเห็นเวทนาเป็นธรรมดาแยกจิตออกจากเวทนาทีนี้จิตเนี่ยที่ว่ามันปรุงแต่งมันคิดมันนึกเนี่ยตัณหาก็มาในรูปของสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดูมันเป็นของเกิดดับเหมือนกั น, นดีใจเสียใจก็เกิดดับหมดอะคิดดีคิดไม่ดีเกิดดับ แล้วไอ้ความคิดเนี่ยคิดดีคิดไม่ดีบางทีมันเป็นวิบากของกรรมมาว่าเราเวียนว่ายตายเกิดเราเคยสร้างกรรมอะไรไม่ดีมามันก็มาให้ผลในปัจจุบันคือจิตของเรามันเคยชินกับการคิดไม่ดีบางคนก็เคยชินกับการโกรธพอไม่ได้ใจนี่โกรธบ่อยมันก็จะเพิ่มความโกรธมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละสั่งสมความเคยชินของจิตคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่ทีนี้เราเฝ้าดูสังเกตจิตมันเกิดอาการอะไรขึ้นมาดู ไม่เพิ่มไม่สร้างกรรมใหม่ถ้ามันเป็นกรรมเก่าเป็นวิบากของกรรมก็เห็นมันเกิดดับใช้กรรมไปเกิดแล้วก็ดับไปใช้กรรมไปเราเคยทากรรมไม่ดีมาคิดไม่ดีบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดับคิดดีก็เดี๋ยวก็ดับเราก็เลยเป็นอิสระจากความคิดของเราไม่ไปยึดความคิดของเราว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เห็นความคิดเป็นแค่สังขารเป็นของเกิดดับแย่จิตออกมาจากความคิด แยกจิตออกมาจากความรู้สึกทางจิตใจแยกจิตออกมาจากความฟุ้งซ่านความลำคาญความลังเลสงสัยความยึดติดของโน่นนี่นี่เห็นจิตเราไปจากจิตเรารู้เท่าทาันจิตของเราคราวนี้จิตเราตัวรู้ที่นี่ทำไมมันรู้ได้ล่ะที่นี่แต่ก่อนทำไมมันไม่รู้เพราะเรามาฝึกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตเรามีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมา ฝ่ายกุศลมันจเจริญขึ้นเช่นสติสมาธิปัญญาความเพียรศรัทธาพวกนี้มันเป็นผลของการปฏิบัติของเราเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีงามมันเกิดขึ้นนี่แหละฝ่ายกุศลมันเกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติของเราหรือเรียกว่าอาริยมรรคเจริญขึ้นรเรียกว่าสติปัฏฐานสีมันสมบูรณ์ขึ้นมันพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้น จิตก็เลยมีคุณสมบัติหมายว่ามันมียานเกิดขึ้นยานในที่นี้คือมันรู้ความรู้อันนี้มันมันมีกำลังเพิ่มขึ้นก็เลยเห็นได้รู้สึกได้แต่ก่อนมีแต่คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นไวายไปหมดคราวนี้เราเอาจิตกลับเข้ามาจากความวุ่นวายนั้นแล้วเข้ามา บ่มเพาะพลังจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นที่นี่เบาเลยที่นี่โอ้มันเป็นแค่ความคิดอย่างเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งเขาบอกว่ากำลังเจ็บอยู่พอดีเลยก็บอกไอ้เจ็บนี้เป็นเวทนานะเอาจิตดูลงไปดูลงไปทีนี้มันจะมีตัวที่มันไม่อยากเจ็บมันอยากให้เจ็บหายนั่นแหละคือตัณหาอยากสุขอยากสบายเขาเรียกว่าภาวะตัณหา ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดไม่อยากมีทุกข์นั่นแหละวิภาวะตัณหามันอยู่ในจิตเชื่อมันไม่ได้มันกําลังหลอกว่าทําเพื่อเราคิดเพื่อเราแต่จริงๆแล้วมันหลงไปจริงๆริงวเวทนามันเกิดแล้วกระดับของมันมันเพิ่งเกิดด้วยมันจะเป็นเราได้ยังไงมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวเราลุกไปมันก็หายแล้วเพราะนั้นสําคัญตรงวางจิตเราให้มันถูกไม่เชื่อตัณหาความคิดมันก็เลยดับไปเขาว่าเขาเลยดูเฉยเฉยได้ ถ้าเข้าใจแล้วมันก็ดูเฉยๆได้สัญญามาก็เห็นเนี่ยถ้าสติมันมันมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นมันเกิดเห็นมันดับหมดความฟุ้งซ่านมาก็ดับไปไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยดีใจเสียใจเกิดแล้วก็ดับมีราคะก็รู้ก็ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตอีกเห็นบางทีก็ดับช้าบางทีก็ดับเร็วแต่มันต้องดับ ขึ้นอยู่กับสติของเราถ้าสติเราจดจอ่อโลรู้แล้วไม่ใช่เราเดี๋ยวเราจะเห็นมันต่อหน้าต่อตามจะอ่อนกำลังลงอ่อนจะกำลังลงและดับไปถ้าจิตมีกำลังจริงๆ่ถ้ามันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งร่างกายมันก็วางได้ไม่ใช่ของเราวิทนาวางได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวางได้หมดเนี่ยหรือแต่จิตนี่เนี่ยมันเวลามันจะเข้าหาจิตที่แท้จริงนะ ตัวจิตที่มันไม่ยึดไม่ติดไม่ค้องอะไรแล้วมันเหลือแต่จิตปัญญาเนี่ยพวกญาณก็มีกําลังมีพลังพอตามดูจิตได้นี่ละจิตเห็นจิตเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันก็มาเห็นตอนที่มันผิดมันเริ่มปล่อยวางอารมณ์ข้างนอกได้แล้วจิตจึงจะชัดเจนมันไม่ดูดูอย่างอื่นไม่เอาแล้วไม่ดูอะไรแล้วว่างเปล่าไม่สนใจอะไรเลยรู้แล้วไม่มีอะไรเป็นของเรา รู้ด้วยเข้าใจด้วยเห็นด้วยปล่อยวางได้ด้วยคราวนี้มันก็เหลือแต่จิตมันก็ตามดูจิตสอนจิตอบรมจิตก็พยายามมาให้จิตคาดเคลื่อนไปไหนเหมือนเราดูเวทนาเหมือนเราดูกายเหมือนเราดูอย่างอื่นแต่คราวนี้มันมามาม า, มาดูจิตฐานมันมาอยู่ที่จิตตามดูจิตในจิตไป จิตมันเคลื่อนไหวยังไงก็เอ้ามันเกิดดับเกิดดับมันก็เห็นจิตไม่ใช่เรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ค่อยๆวางไปวางไปเบาไปเรื่อยสุดท้ายเลยว่างเอ้าดูไปอีกมันยังว่างตัวรู้ว่าว่างอะไรมันก็ตามดูตัวรู้ไปวิญญาณเนี่ยรู้อยู่ที่รู้สักประเดี๋ยวหนึ่งความรู้สึกเป็นเราดับหมดเอฟก็แปลกดีนะมันดับได้เลยนะ ดับเรียบมองหาเราไม่มีมองหาเราก็เห็นแต่กายตัวจิตเหมือนไม่มีแล้วเออแปลกดีนะเหมือนไม่มีจิตแต่ก็รู้อยู่นานถ้าว่าไม่มีจิตทำไมมันรู้ได้อะ่ะว่ามีจิตทำไมไม่เห็นน่ะจนกว่ามันจะมี สภาวะเหมาะสมเกี่ยวกับธาตุลมเกี่ยวกับร่างกายอะไรเนี่ยอมันอาจจะรู้สึกขึ้นมาอีกว่าจิตเนี่ยเนี่ยมันว่างเปล่าแล้วมันก็อยู่อย่างสบายของมันเนี่ยเมื่อมันรวมตัวกันเข้ามาโดยอาศัยร่างกายเหมือนกับน้ําอ่ะทำเอกสารซ่านเส้นไปเราก็ไม่เห็นมันนะถ้าเอามาใส่แก้วอ้าวน้ําในแก้วเนี่ยมันก็เห็นน้ําขึ้นมา เอาสุดท้ายแล้วดูสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยยกให้กายกับจิตเราเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้านี่แหละปฏิบัติบูชาแล้วที่นี่ทำเหมือนไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรนี่ก็คือแค่เครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเฉยๆกายกับใจนี่วางเลยวางเลยวางเฉยๆดูเฉยๆเลยอบอกกับตัวเองว่านี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้ว ร่างกายกไม่ใช uh okay. ่ของเราจิตไม่ใช่ของเราอะไรเกิดไม่ใช่ของเราบูชาพระเจ้าหมดอะไรโผลมาเอาบูชาพระเจ้าอันนี้โผลมาบูชาพระเจ้าจิตไปสนใจอะไรบูชาพระพุทธเจ้าสนใจอะไรบูชาพระพุทธเจ้าสังขารมาบูชาพระเจ้าเจ็บปวดมาบูชาพระพุทธเจ้าจิตเป็นยังไงบูชาพระเจ้ากายเป็นยังไงบูชาพระพุทธเจ้าง่วงมาบูชาพระพุทธเจ้า มันกำลังง่วงอยู่ก็เลยไม่รู้จะบูชายังไง <laughs> มันไม่ยอมไป <laughs> เอามันตื่นขึ้นมาบูชาพระพุทธเจ้าเอาที่ที่นี่หายที่นี่ <laughs> อ่าจานนี้ก็ตั้งปณิธานนะ ย้ำลงไปเลยอยากจะสอนอะไรสอนได้ตอนจิตเป็นสมาธินีสอนแล้วมันลึกซึ้งนะจิตมันจะหลอหลอมคุณสมบัติของตัวมันเองให้เป็นไปตามปณิธานที่เราตั้งเอาไว้สำคัญนะปณิธานเนี่ยเพราะนั้นตั้งบ่อยๆเลยย้ำบ่อยๆปณิธานที่ดีนะข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งๆขึ้นไป ก่อยข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในะอริยสัจจะทมชนพ้นจากทุกข์ในวัตฏสงสารด้วยเธอย้ำลงไปจากนั้นก็แผ่เมตตาถ้าใครเคยเป็นศัตรูเราเคยเบียดเบียนเราให้อภัยเลยนะให้อภัยนี้เพื่อจิตเรานะโอ้มันไม่ยอมง่ายๆนะจิตเนี่ยโอ้มันแข็งเลยนะพอะจะแผ่เมตตาให้คนที่เราไม่ชอบใจมันไม่ยอมนะเนี่ยแต่มาเคยฝึกมาแล้วนะโอ้โห มันต้านแข็งเลยอ่ะจิตนี่แข็งมันด้านขึ้นมาเลยไม่ยอมอ่อนเลยโอ้ยต้องเอากันอยู่ตั้งหลายวันอ่ะอบรมกันไปอบรมมาตอนหลังมันทำได้เออททำได้จิตเราก็อ่อนโยนลงไปทีนี้กระแสความเมตตามันก็เกิดขึ้นนะมันก็ไม่อยากไปโกรธไปเครืองใครเนี่ยพอมันดับไปแล้วมันก็เห็นนะ มันไม่อยากโกรธใครพอโกรธขึ้นมามันโอ้ยมันร้อนแค่คิดตึบขึ้นมาแค่นี้มันก็โอ้มันไม่สบายแล้วความรู้สึกกันเนี้ยเนี่ยมันก็รีบแผ่เมตตาบ้างอุทิศบุญบ้างก็ดับมันก็ดับเร็วขึ้นเร็วขึ้นตอนหลังเลยเหมือนไม่มีพวกนี้มีมาให้เห็นเล็กๆน้อยๆตึบแล้วก็หายไปไม่มีผลอะไรต่อจิตเนี่ยมันก็เบามันก็สบายขึ้นกว่าเดิมละเอียดลงไปเรื่อยๆ แล้วก็อุทิศบุญนะอุทิศบุญเองเลยนะเดีย๋ยวอุทิศบุญให้ใครวันนี้พอแค่นี้นะ